บทที่2 0สความฝันบอกให้รู้อะไรบ้างเรื่องความฝันมีกี่อย่างและเกิดจากเหตุอะไรบ้างเขาพระเจ้าได้อธิบายมาแล้วแต่ในตอนนั้นจำเป็นจะต้องอธิบายโดยย่อก่อนเพราะถ้าจะอธิบายให้ละเอียดในตอนนั้นผู้อ่านจะเกิดความฟั่นเฟือแต่สำหรับในตอนนี้เขาพระเจ้าจะขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องความฝัน เพราะในเมื่อเข้าใจหลักวิชาต่างๆดั ง, งที่ได้ที่บายมาเป็นอย่างดีแล้วเรื่องราวต่างๆในความฝันนี่แหละจะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องการเกิดของชีวิตได้อย่างดีทีเดียวตลอดทั้งเรื่องนรกและสวรรค์รวมทั้งวิธีแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันด้วยและอีกประการหนึ่งการที่ข้าพเจ้าได้หยิบเอาความฝันขึ้นมาอธิบาย ก็เพราะทุกคนเมื่อนอนหลับแล้วจะต้องฝันไม่มีใครที่ไม่เคยฝันเหตุการณ์ต่างๆในความฝันถ้าเราศึกษาให้ละเอียดแล้วจะช่วยเตือนสติให้เราสำนึกถึงความดีและไม่ดีในตัวเองอยู่เสมอและช่วยให้เราเข้าใจศึกษาปัญหาต่างๆได้อย่างมากมายฉะนั้นจึงนับว่าเป็นวิธีการศึกษาที่ง่ายมาก ข้าพระเจ้าขอเตือนความทรงจําของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะต้องพยายามคิดให้เข้าใจว่าตัวตนในความฝันส่วนมากทําไมจึงไม่มีชีวิตแต่ในบางครั้งทําไมจึงมีชีวิตมีประสาท ต, ต่างๆใช้การได้เหมือนกับกายเนื้อซึ่งคําตอบก็มีอยู่เพียงสั้นๆว่าถ้าอำนาจจิตมีกําลังน้อย ร่างกายที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแต่เพียงมโนภาพที่ไม่มีชีวิตแต่ถ้าอำนาจจิตมีมากมโนภาพก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายเท่านั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆในความฝันซึ่งเกิดจากใจเหมือนกันนั้นถ้าหากอำนาจ จ, จิตที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้มีอำนาจสูงมากสิ่งแวดล้อมที่ว่านั้น ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนปรากฏขึ้นมาจริงๆเหมือนกันอย่างไรก็ดีสำหรับในกรณีหลังนี้เราเกือบจะหาตัวอย่างในโลกมนุษย์ไม่ได้เลยส่วนในโลกของโอปปาติกะเรื่องเหล่านี้เป็นของธรรมดาเพราะในโลกนี้ก็มีสิ่งแวดล้อมเหมือนกับในโลกมนุษย์เหมือนกันเช่นมีต้นไม้แม่น้าภูเขาถนน บ้านเสื้อผ้าอาหารและอะไรอื่นอื่นอีกหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ทุกคนในโลกของโอปปาติกะจะไม่มีใครบอกว่าเป็นภาพลวงตาหรือเป็นแต่เพียงมโนภาพเพราะทุกอย่างเขาจับต้องได้สัมผัสทางประสาทของเขาได้และที่สำคัญก็คือผู้ที่อยู่ในภูมิเดียวกันจะเห็นตรงกันเพราะฉะนั้นเขาจึงยืนยันว่า สิ่งที่เขาพบเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆถ้าหากเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกทิพย์บ้างและมีความเชื่ออยู่ด้วยเราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าทุกอย่างเกิดจากใจแต่ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือวัตถุทุกอย่างไม่ว่าจะปรากฏในรูปไหนจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ทุกอย่างล้วนแต่เป็นปรากฏการณ์ของมิญญาณในลักษณะต่างๆกันนั่นเองแต่ก็อย่าลืมว่าเราจะต้องพิจารณาจากแง่ของวัตถุด้วยกล่าวคือเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นหรือจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งหว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุคือเรายังไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ ที่แท้ก็คือปรากฏการณ์ของวิญญาณที่ออกมาในรูปที่หยาบนั่นเองเราก็ต้องเข้าใจว่าวิญญาณกล่าวคือความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นเกิดมาจากวัตถุซึ่งจะเข้าใจในแง่นี้ก็ได้ไม่ผิดและความจริงในแง่นี้นักวิทยาศาสตร์ในทางจิตวิทยาและในทางชีววิทยาทราบกันดีแต่ข้อสําคัญ อย่าได้ยึดถือว่าหลักอันนี้คือความจริงทั้งหมดเพราะถ้ายึดถือแต่ในแง่นี้แง่เดียวก็จะมองไม่เห็นความจริงของชีวิตทั้งหมดและอย่าลืมที่จะนึกถึงขอบเขตแห่งความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสว่าใช้ได้ภายในเรื่องอะไรบ้างข้อความที่กล่าวมานี้เป็นการสรุปให้เห็นถึงทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นหลักสาคัญ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องเหตุการณ์ในความฝันซึ่งถ้าหากเราอ่านออกอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้แจ้งว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรใครที่จะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ความทุกข์ต่างๆเกิดมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรจึงจะเป็นอันแก้ไขได้จริงๆแต่ก็อย่าลืมว่าผู้ที่อ่านเหตุการณ์ในความฝันได้อย่างแจ่มแจ้ง ก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจถึงทฤษฎีต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วตามหลักในคำพีกล่าวว่าเหตุแห่งความฝันมีอยู่4ีอย่างคือหนึ่งทาตุโขภะความฝันที่เกิดเพราะาธาตุไม่ดีซึ่งหมายความว่าในขณะที่นอนหลับมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากเช่นท้องอืดท้องเสีย หรือไม่สบายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งความฝันของคนประเภทนี้เราจะเห็นได้ว่าเปะปะไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราใช้ความสังเกตให้ดีเราก็จะพบว่าคนที่ไม่สบายเหมือนกันมีสิ่งรบกวนทางประสาทคล้ายกันถึงแม้ความฝันจะเปะปะเหมือนกันก็จริง แต่เรื่องราวที่ปรากฏในความฝันจะไม่เหมือนกันเลยทั้งนี้เพราะการที่ใครจะฝันเห็นอะไรหรือความฝันจะออกมาในรูปไหนย่อมขึ้นอยู่กับพื้นของจิตใจคนที่มีจิตใจสูงมีคุณธรรมมากและพื้นจิตใจส่วนมากสงบเราก็จะเห็นว่าความฝันของเขาจะเปะปะไปในทางที่ดี ซึ่งผิดกับบุคคลที่มีเพื่อนจิตใจไม่ดีความฝันจะเป๋ปะไปในทางที่ไม่ดีและถ้าหากคนไหนมีเพื่อนจิตใจสงบจริงๆความฟุ้งซ่านมีน้อยแม้ร่างกายจะไม่สบายมีสิ่งรบกวนทางประสาทอย่างไรก็ตามความฝันก็จะไม่ค่อยเป๋ปะแต่จะฝันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนนหนึ่งโดยธรรมดา ในขณะที่คนเรานอนหลับและฝันนั้นทุกคนย่อมไม่มีสติควบคุมเพราะฉะนั้นความฝันจริงออกมาคล้ายๆกับกระแสน้าที่ปั่นพวนซึ่งมันจะออกมาในรูปไหนยากที่จะบอกได้ทั้งนี้ก็เพราะสุดแล้วแต่แรงดันและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะช่วยให้กระแสน้ำออกมาในรูปไหนคนที่ตายพ้นจากกายเนื้อไปแล้ว ไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปชีวิตของโอปปาติกะก็จะคล้ายกับชีวิตในความฝันมากกล่าวคือถ้าลงว่าความคิดในเรื่องไหนตั้งต้นได้แล้วก็มักจะดิ่งไปแต่ในทางนั้นและถ้าหากภายในความคิดอันนั้นไม่มีอะไรที่จะยับยัง้งหรือสะกิดใจให้ขวนกลับคิดเป็นอย่างอื่นหรือสะกิดให้รู้สึกตัวว่า ตนเองกําลังคิดอยู่อย่างไรก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเช่นเราฝันว่าถูกเสือไล่และยังไม่ตื่นตลอดเวลาที่ยังหลับอยู่เราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ในความฝันเป็นความจริงแล้วเราจะรู้สึกว่าทรมานขนาดไหนคนที่ตายไปเกิดเป็นโอปปจิกะก็เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากอำนาจจิต ท, ที่สร้างภาพหรือเหตุการณ์ในความฝันมีกำลังน้อยเพราะกำลังของจิตส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วร่างกายคอยควบคุมร่างกายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในความฝันแม้จะรุนแรงอย่างไรก็ไม่สู้จะร้ายเท่าไรนักแต่สำหรับผู้ที่ไปเกิดเป็นโอปปะติกะวิญญาณได้ทิ้งกายเนื้อไปแล้ว และทุกอย่างที่กําลังมีอยู่หรือปรากฏอยู่เกิดจากอํานาจของจิตที่เข้มข้นมีพลังสูงจงพิจารณาดูถ้าเหตุการณ์ที่กําลังประสบอยู่เป็นเรื่องร้ายแรงมันจะร้ายแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทรมานที่ได้รับในฝันสักเทียงใดแต่ถ้าหากเป็นเหตุการณ์ตรงกันข้ามคือเป็นเหตุการณ์ที่ดีก็ย่อมจะต้องได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่า ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าคนที่ได้ทำบาปไว้อยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนนึกขึ้นมาคราวไรว่าเราได้ทำบาปไว้ก็เดือดร้อนและในเมื่อไปสู่ทุคติภูมิแล้วก็ยิ่งจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่ได้ทำบุญไว้อยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุข ลาจากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นสุขนึกขึ้นมาคราวใดว่าเราได้ทำบุญไว้ก็เป็นสุขและในเมื่อไปสู่สุคติภูมิแล้วยิ่งจะเป็นสุขเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่นอนหลับทีไรก็มักจะฝันเปะปะาเสมอและเรื่องที่ฝันส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีด้วยคือเป็นเรื่องทำให้ไม่สบายใจทำให้เกิดความทุกข์ทรมานต่าง คนประเภทนี้ควรจะรู้สึกตัวว่าพื้นจิตใจของเราไม่ดีและไม่ดีในทางไหนก็ขอให้สังเกตดูให้ดีแล้วก็จะพบว่าสัญดาลของตัวเองไม่ดีอย่างไรและในเมื่อมองเห็นภัยที่จะต้องได้รับภายหลังจากตายเราก็ควรจะได้แก้ไขเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่และแน่นอน สำหรับคนที่อ่านความฝันของตัวเองออกก็ย่อมจะรู้แน่ว่าเมื่อตัวเองตายแล้วจะไปเสวยสุขหรือไปเสวยทุกข์สำหรับคนที่รู้จริจรงๆ จ, จะไม่มีใครประมาทหรือชะล่าใจถึงอย่างไรก็ต้องรีบขนขวายแก้ไขตัวเองและอีกอย่างหนึ่งจากเขตการณ์ในความฝันจะบอกให้เรารู้ว่าความชั่วทุกอย่างที่เราได้ทําไว้ มันมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานทุกอย่างและวิบากที่มีอยู่นั้นมันจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ขอให้สังเกตว่าการกระทาต่างๆที่เราได้ผ่านมานั้นบางอย่างก็ปรากฏในความฝันเร็วแต่บางอย่างก็นานมากนับเป็นปีๆกว่าจะปรากฏเป็นความฝัน จนกระทั่งเราลืมเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความฝันก็มีและมักจะนึกว่าเหตุการณ์อันนี้เราไม่เคยประสบมาหรือกรรมอย่างนี้เราไม่เคยทำมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่วันใดก็วันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไว้เนื่องจากมันมีวิบากฝังอยู่ในสันดานเพราะฉะนั้นเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะ มันก็จะต้องปรากฏออกมาเป็นความฝันจนได้ซึ่งอันนี้ควรจะเป็นหลักสำหรับให้เราเข้าใจว่ากรรมต่างๆที่เราได้ทำเอาไว้ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมาสักกี่ชาติก็ตามถ้าวิบากของมันยังมีอยู่ในสันดานถึงอย่างไรเสียเมื่อมีโอกาสมันก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอนทั้งในทางดีและทางชั่วนหนึง่ง ขอให้สังเกตว่าคนที่สำนึกได้ถึงผลร้ายของกรรมชั่วและคิดกลับตัวใหม่คิดทำแต่ความดีซึ่งในตอนนี้ทำด้วยความเต็มใจไม่ต้องฝืนใจแล้วเราก็จะพบว่าคนที่ทำความดีด้วยความเต็มใจนั้นแม้ในทางกายจะเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากสักเพียงใดก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะคนที่ทำความดีด้วยความเต็มใจย่อมมีความสบายใจอยู่เสมอความสบายใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากถ้าท่านได้ศึกษาทำให้สูงยิ่งไปกว่านี้แล้วเราก็จะพบความจริงด้วยตัวเองว่าความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายนั้นเมื่อเฟ้นหาถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะพบว่ามาจากสุขภาพทางจิต คนที่จะมีอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสาเหตุที่แท้จริงก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพทางจิตถ้ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของโอปะปะจิกะในภูมิต่างๆซึ่งวางภูมิมีอายุนานา น, นับเป็นหมื่นๆแสนแสนหรือล้านล้านปีโดยนับตามเวลาในโลกมนุษย์นานก็ยิ่งจะเห็นได้ชัดว่า สาเหตุใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพทางจิต ท, ที่ดีเป็นพิเศษขอได้โปรดพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าคนที่ได้ทำบุญไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขลาจากโลกนี้ไปแล้วก็มีความสุขนึกขึ้นมาคราวใดว่าเราได้ทำบุญไว้ก็เป็นสุขและเมื่อเข้าไปอยู่ในสุขคติภูมิแล้ว ก็ยิ่งจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าส่วนคนที่ทำบาปไว้ก็จะมีผลตรงกันข้ามกับที่ได้กล่าวมาท่านเห็นแล้วหรือยังว่า เหตุการณ์ในความฝันได้เป็นบทเรียนสอนให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตได้เป็นอย่างดีและในเมื่อทุกคนจะต้องฝันฉะนั้นเหตุการณ์ในความฝันซึ่งถ้าเราเข้าใจก็จะทําให้เรารู้จักตัวของเราเองดีขึ้นซึ่งถ้าเรารู้จักตัวของเราดีขึ้นเพียงใดการแก้ไขปัญหาชีวิตก็จะดีขึ้นเพียงนั้นอหนึ่งขอให้สังเกตว่า ไม่เฉพาะแต่ร่างกายแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เราพบเห็นในความฝันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรามีการอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความเจริญตลอดทั้งให้เราได้มีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีพบปะเกี่ยวข้องกับคนที่ดีอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพยายามแก้ไขที่จิตใจของตนหรือถ้าทุกคนเข้าใจเช่นนี้และต่างคนต่างก็พยายามแก้ไขจิตใจของตนให้ดีขึ้นก็เป็นการแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆก็จะต้องดีขึ้นเมื่อสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นและตัวเราก็ดีขึ้นเมื่อประกอบกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้แล้ว ก็ย่อมจะทำให้ความสุขและความเจริญของเรามีฐานะมั่นคงเท่าทีท่อธิบายมานี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนน้อยที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตและสังคมตลอดถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยอันหนึ่งจากความฝันที่เประปะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพื่อนจิตใจของเราไม่ดีนั้นบางคนก็อาจจะวิตกว่า ถ้าหากเรานอนหลับและฝันคราวไรก็มักจะมีแต่เรื่องความฝันที่เปะปะเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้มีหมายความว่าเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปะปะติกะชีวิตของเราในโลกของโอปะปะติกะก็จะต้องเป็นชีวิตที่เปะปะมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องเอาราวไม่ได้กลายเป็นคนเสสติอยู่ในโลกนั้นไปหรือ พ่อวิตกอันนี้บางคนอาจจะมีทัางนี้ก็เพราะประยึดถือแต่ในหลักที่ว่าชีวิตในโลกของโอปะปะจิกะเหมือนกับชีวิตในความฝันแต่ความเป็นจริงคนที่นอนหลับฝันเ ป, ปะปะอยู่เสมอนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อตายไปแล้วชีวิตจะต้องอยู่ในรูปนี้ทางนี้ก็เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เป็นคน ในขณะที่เรานอนหลับประสาทของเรารับรู้ต่อสิ่งภายนอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงทำให้ความฝันเปะปะแต่ในเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปะปะิกะสภาพอย่างนี้ไม่มีคือประสาททุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจในส่วนลึกคือผวางขจิตชีวิตของโอปะปะติกะจะเป็นเสมอหนึ่งคนนอนหลับที่สนิทที่สุด จงกระทั่งอิทธิพลของสิ่งภายนอกเข้าไปก่อกวนจิตใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อเราเกิดเป็นโอปปาติกาชีวิตของเราจะต้องเปะปะเหมือนกับในความฝันทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสันดาลของเราจะเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบชีวิตไม่มีหลักมีแต่ทำอะไรตามอารมณ์และเปลี่ยนแปลงง่าย จุดนี้พยายามพิจารณาให้ซึ้งเพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนหรือของโอปะปะติกะทุกชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากสันดาลของตนและในขณะที่เรากำลังจะตายจากมนุษย์ประสาทต่างๆหมดประสิทธิภาพไปโดยลำดับในอันที่จะรับรู้ต่อสิ่งภายนอกจนกระทั่งในที่สุดประสาททุกอย่างก็ไม่รับรู้อะไรเลยกล่าวคือ ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินทางร่างกายทุกๆส่วนก็ไม่รู้สึกในขณะที่กำลังจะตายจะมีความรู้สึกไปรวมอยู่ที่จุดๆุดเดียวคือที่สมองซึ่งในขณะนั้นจิตมีพลังสูงมากเพราะฉะนั้นมโนภาพซึ่งมีลักษณะเหมือนกับตัวตนในความฝันจึงได้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆและถ้าหากในขณะนี้ ใจิตใจสงบสบายแจ่มใสร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็จะมีความสมบูรณ์และมีหวังแน่นอนว่าจะต้องไปสู่สุขติแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะต้องไปสู่ทุกขติอันหนึง่งขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาวิญญาณของคนทุกคนย่อมมีสมรรถภาพในการที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ข้อพิสูจน์ก็คือร่างกายของเราที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งในขณะที่วิญญาณมาปฏิสนธินั้นวิญญาณก็จะทําหน้าที่สร้างร่างกายเช่นเดียวกับในขณะที่วิญญาณกําลังจะจูติจากร่างกายมนุษย์ขอให้สังเกตว่าสภาพของวิญญาณในขณะนี้เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกเช่น ในขณะที่เราอยู่ในท้องแม่เราจะไม่รู้ถึงสิ่งภายนอกไม่รู้สึกตัวว่าเราอยู่อย่างไรมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรในทํานองเดียวกันในขณะที่กําลังจะจุติจากกายมนุษย์ไปมีชีวิตเป็นโอปปปาติกะซึ่งในขณะนั้นรูปร่างที่เป็นโอปปปาติกะก็ได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ความสมบูรณ์ของร่างกายโอปะปะตฏิกะนั้นจะถึงที่สุดก็ต่อเมื่อวิญญาณดับสนิทจากกายมนุษย์ซึ่งในตอนนี้วิญญาณจะไม่รู้ถึงสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์และก็จะไม่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังมีอยู่เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทและฝันเห็นภาพที่ชัดเจนฉะนั้นอนหนึ่งขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า ความเป็นจริงในขณะที่วิญญาณมาเกิดในท้องแม่สภาพของวิญญาณในขณะนั้นจะเหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันแต่ครั้นเมื่อเราคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเราก็ลืมถึงความฝันในขณะนั้นทั้งหมดเช่นเดียวกับเด็กทารกทุกคนในขณะที่นอนหลับแล้วก็จะฝันและเป็นความฝันที่ชัดเจนด้วย และโดยเฉพาะก็คือเด็กทารกทุกคนในขณะที่นอนหลับจะฝันเห็นโอปปะปิกะตลอดเวลาและเป็นการเห็นอย่างถูกต้องด้วยผู้ที่เขาเห็นอยู่เสมอก็คือพี่เลี้ยงของเขาซึ่งคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าแม่ซื้อแต่ครั้นเด็กตื่นขึ้นมาแล้วก็จะลืมถึงเรื่องราวในความฝันทั้งหมดสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากอิทธิพลของสมองซึ่งเป็นวัตถุและยังไม่เจริญพอที่จะรื้อฟื้นความจำได้ดีขอให้สังเกตว่าเด็กที่สมองยังไม่เจริญจะจำสิ่งใหม่ๆอะไรได้เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวแต่จะจำความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณได้เสมอซึ่งเด็กจะจำได้โดยอัตโนมัติแต่ก็ไม่รู้สึกตัวไม่เข้าใจเหตุผล ว่าทำไมจะต้องรู้สึกอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นหรือทำอย่างนั้นส่วนคนที่กำลังจะตายสภาพของวิญญาณก็เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันซึ่งส่วนมากสิ่งที่เห็นในขณะนั้นก็คือสภาพที่มีอยู่จริงๆในโลกของอุปะปะติกะและในเมื่อวิญญาณได้จุติจากกายมนุษย์แล้ว ก็ยังสามารถรื้อฟื้นความจำได้คือนึกย้อนหลังได้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาซึ่งผิดกับเด็กทารกในโลกมนุษย์สาเหตุที่แตกต่างกันเช่นนี้เป็นเพราะสมองของโอปปฏิกะถึงแม้จะถือว่าเป็นวัตถุแต่ก็เป็นวัตถุที่ละเอียดประณีตมากและเกิดจากใจโดยตรง และไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมพันและสิ่งแวดล้อมส่วนสมองของเด็กทารกในโลกมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากกรรมพันและสิ่งแวดล้อมและที่สาคัญก็คือเป็นวัตถุที่หยาบไม่ได้ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดประเด็นนี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งสำหรับคนทั่วไปอาจจะเข้าใจยากมาก เราเป็นการพูดถึงสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเลยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆต้องใช้สติปัญญาที่ละเอียดประณีตแหลมคมและว่องไวด้วยข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงถึงตัวท่านเองจนเกินไปในเมื่อไปมีชีวิตอยู่ในโลกของโอปปาปิกะขอให้นึกถึงสภาพของจิต ที่มีอยู่เป็นพื้นอย่างมั่นคงซึ่งมีอยู่ด้วยกันทุกคนนั่นก็คือสภาพของจิตที่มีสมรรถภาพในการสร้างร่างกายขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์สภาพจิตเช่นนี้มีความเป็นระเบียบมีความจัดเจนมีความรอบรู้ไม่เช่นนั้นจะสร้างร่างกายที่มีโครงสร้างละเอียดและประณีตซับซ้อนอย่างมากมายขึ้นมาไม่ได้ สิ่งที่ท่านควรจะเป็นห่วงก็คือถ้าหากเราสะสมความชั่วเอาไว้มากสันดานก็จะเสียขอให้พิจารณาดูสภาพของจิตใจที่มีความชั่วอยู่ในใจมากแล้วจะเห็นว่าจิตใจอย่างนี้จะหาความสงบสุขได้ยากมากควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่เคยมีเหตุผลเพราะคนที่มีสันดานชั่ว น, น้นโดยปกติ ไม่อาจที่จะเข้าใจเหตุผลของสิ่งต่างๆได้ง่ายเขาจะคิดไม่เครออกและไม่รู้ความจริงว่าความทุกข์เกิดมาจากเหตุอะไรและอะไรคือเหตุที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความทุกข์เหล่านี้ส่วนคนที่ทำแต่ความดีซึ่งภายในจิตใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมต่างๆคนประเภทนี้จิตใจย่อมสงบ ควบคุมตัวเองได้ดีทำอะไรตามเหตุผลได้เป็นคนที่สามารถจะเข้าใจถึงสาเหตุของสิ่งต่างๆได้ดีถ้าท่านเข้าใจหลักที่กล่าวมานี้อย่างแจ่มแจ้งท่านก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่ทำบาปเมื่อตายไปแล้วต้องเดือดร้อนแน่ส่วนคนที่ทำบุญเอาไว้มากก็ต้องมีความสุขมากอย่างแน่นอน เพราะชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากสันดานคือวิบากต่างๆที่สะสมเอาไว้ชีวิตของคนถึงแม้จะเป็นไปตามวิบากก็จริงแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมส่วนชีวิตของพวกโอปะปะจิกะเป็นชีวิตที่เกิดมาจากวิบากล้วนๆเป็นชีวิตที่เสวยผลของวิบากยังเห็นได้ชัดและตรงไปตรงมา องอนุภูตะปุพะความฝันที่เกิดจากเรื่องที่เคยรู้เคยเห็นมาอันที่จริงความฝันประเภทนี้กับความฝันประเภทที่หนึ่งก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกล่าวคือเกิดจากประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาแต่ก็แตกต่างกันตรงประเด็นที่ว่าความฝันประเภทที่หนึ่งมีสิ่งรบกวนทางประสาทมาก จึงทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝันเปะปะส่วนความฝันประเภทที่สองไม่มีสิ่งรบกวนทางประสาทหรือถ้าหากจะมีก็น้อยความฝันประเภทนี้จึงเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าและแสดงให้เห็นถึงสันดานได้ชัดเจนกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในอันที่จะทำให้เรารู้ว่าพื้นจิตใจของเราเป็นอย่างไร ในขณะที่เรากำลังจะตายเราจะมีสติควบคุมตัวเองได้สักขนาดไหนถ้าปรากฏว่าแม้แต่อยู่ในความฝันเราก็มีสติสัมปชัญญะนึกคิดได้อย่างมีเหตุผลและส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทำให้ไว้ใจได้ว่าในขณะที่เรากาลังจะตายเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะ ได้จิตใจจะต้องสบายได้ไปสู่สุขติแน่นอนบางคนในขณะที่กำลังฝันอยู่ก็ยังรู้สึกตัวขึ้นมาได้อีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเราฝันไปเองเรียกว่าฝันซ้อนฝันอย่างนี้ก็มีและบางคนสามารถที่จะฝันต่อได้คือตื่นขึ้นมาแล้วหลับไปอีกก็ยังฝันต่อจากเรื่องที่ค้างเอาไว้ บางคนฝันต่อข้ามคืนได้ซึ่งหมายความว่าเมื่อคืนก่อนฝันว่าอย่างไรเรื่องยังไม่จบคืนต่อมาก็ฝันต่อถ้าหากคนไหนเคยฝันแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพื้นจิตใจมีสมาธิดีและมีสติสัมปชัญญะดีมากอันหนึง่งบางคนในขณะที่ฝันก็สามารถที่จะใช้ความนึกคิดได้ เหมือนกับในขณะที่ตื่นคือมีสติสัมปชัญญะควบคุมได้อย่างดีคิดได้อย่างชัดเจนและบางคนมีปัญหาบางอย่างในเวลาตื่นคิดไม่ออกแต่พอนอนหลับแล้วก็เก็บเอามาคิดในความฝันอีกคิดได้เป็นเรื่องราวมีสติสัมปชัญญะควบคุมและคิดปัญหานั้นออกได้ด้วยถ้าคนไหนเคยฝันแบบนี้ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นข้างในดีมากทีเดียวความฝันที่เกิดจากความนึกคิดของตัวเอง คือเป็นความฝันที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาเอามาประติดประต่อเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นซึ่งความฝันประเภทนี้บางอย่างก็เปะปะเพราะมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากแต่บางเรื่องก็ไม่ค่อยเปะปะคือฝันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไม่มีสิ่งรบกวนทางประสาทนอกจากนี้ยังมีความฝันอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในลักษณะเดียวกันคือเกิดจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเหมือนกันแต่ก็แตกต่างจากความฝันทั่ ว, วไปตรงประเด็นที่ว่าประสบการณ์ที่ปรากฏในความฝันนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตชาติอย่างนี้ก็มีแต่สำหรับในประเด็นนี้คนส่วนมากมักจะแยกไม่ออกว่าเรื่องราวในความฝันครั้งนี้ มาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือมาจากนาีิชาติแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นความฝันที่เกิดจากเหตุการณ์นาีิชาติความฝันประเภทนี้จะมีความประทับใจจําได้นานไม่ลืมเลือนได้ง่ายๆส่วนความฝันที่เกิดจากเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งถึงแม้จะไม่เปะปะตื่นขึ้นมาก็ยังจําได้ดี แต่ก็จะจำได้ไม่นานเท่าไรนักบางคนไม่กี่วันก็ลืมส่วนความฝันในลักษณะของการระลึกชาติสามารถที่จะจำได้เป็นปีๆบางคนอาจจะจำได้ตลอดชีวิตเรื่องราวในความฝันทั้งสองประเภทดังที่กล่าวมาส่วนมากก็มีเพียงแค่นี้ 3. เทวโตประสังหารณะ ความฝันที่เกิดจากมีโอปปาจิกะมาดนใจหรือมาบอกเรื่องราวต่างๆความฝันประเภทนี้จะมีความประทับใจจาได้นานมากแบบเดียวกับความฝันในลักษณะของการระลึกชาติทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่นอนหลับจนกระทั่งมีโอปปาจิกะมาติดต่อได้นั้นจะต้องนอนหลับได้สนิทมาก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 กายชีพก็คือแบบฉบับของกายเนื้อและกายเนื้อก็คือกายหยาบที่สะท้อนให้เห็นถึงกายชิพซึ่งเป็นกายที่ละเอียดและในขณะที่คนเรากำลังจะตายซึ่งทุกคนจะต้องมีกายชิพเกิดขึ้นก่อนที่ร่างกายจะถึงแก่ความตายจริงๆนั้นกายชิพที่ว่านี้ก็ถอดแบบมาจากกายเนื้อหลักวิชาดังที่กล่าวมานี้ พยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆแล้วก็จะมองเห็นว่าในขณะที่รอนอนหลับแล้วฝันเห็นโอปปะปติกะหรือเหตุการณ์ต่างๆในโลกของโอปปะปติกะซึ่งเป็นการเห็นจริงๆไม่ช่นนึกเอาเองนั้นการเห็นแบบนี้เป็นการเห็นด้วยตาทิพย์แต่ก็ขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าตาทิพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทิพยยจักษุ เพราะผู้ที่จะมีทิพยะจากสุดซึ่งสามารถที่จะเห็นอะไรได้มากยิ่งกว่าตาเนื้อหลายเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานขั้นสูงส่วนตาทิพที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับนี้หมายถึงตาทิพขั้นธรรมดาและที่เรียกว่าตาทิพก็เพราะร่างกายที่เกิดเป็นกายทิพและที่เรียกว่ากายทิพก็เพราะเป็นกายที่เกิดจากใจเพราะฉะนั้น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 ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับนั้นประสิทธิภาพในการเห็นและการได้ยินก็เหมือนกับตาและหูของมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ตายไปแล้วซึ่งจะต้องเกิดเป็นโอปปฏติกะทุกคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีตาทิพย์หูทิพย์พิเศษซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้เหตุการณ์ภายหน้า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 ขอให้สังเกตจากเรื่องราวในความฝันซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆที่แสดงออกในความฝันนั้นส่วนมากก็เหมือนกับความรู้ความสามารถนิสัยใจคอที่เรามีอยู่ในขณะที่เราตื่นอยู่นั่นเองแต่ถ้าหากจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากที่เรารู้สึกว่าเคยมี นั่นเป็นเพราะลักษณะของจิตใจในส่วนนั้นซ่อนอยู่ยังไม่เคยปรากฏออกมาและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะการผสมผสานของประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาและทำให้ออกมาในรูปใหม่จนเราจําเข้าครงเดิมไม่ได้โอปะปะติกะที่จะมีตาทิพย์หูทิพย์มียานวิเศษสามารถที่จะร่วงรู้อะไรได้ต่างๆนั้น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 และอาจจะไปเพิ่มเติมในโลกนั้นก็ได้แต่ก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่าจะสามารถเรียนรู้อะไรได้ทุกอย่างแต่สาหรับผู้ที่ได้ฌานขอบเขตที่จะแสวงหาความรู้มีมากกว่าคนที่ไม่ได้ฌานหลายเท่าหลักเหล่านี้ควรจะจำเอาไว้ด้วยและอีกประการหนึ่งเราจะต้องตรหนักให้มากที่สุดว่า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 และทั้งที่ในความฝันที่เป็นจริงมีอยู่และเป็นเรื่องที่ทดสอบได้แต่คนส่วนมากก็ไม่เคยจะยอมรับอยู่นั่นเองแต่ก็ขอให้สังเกตดูเราจะยอมหรือไม่ยอมก็ตามในขณะที่เรากำลังนอนหลับแล้วฝันนานทุกเรื่องที่กำลังฝันอยู่เราทุกคนจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ข้าพเจ้าปราถนาที่จะให้ท่านผู้อ่านได้ทบทวนข้อความดังต่อไปนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นประเด็นที่สําคัญมากกล่าวคือความฝันที่เป็นจริงนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนซึ่งเป็นความฝันที่เกิดจากมีกายทิพเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับและกายชีพนี่แหละที่เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์เหล่านั้นและทําไมกายทิพจึงเกิดขึ้นมาได้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 เราก็ยอมรับเฉพาะแต่เรื่องราวต่างๆที่เราพบเห็นในเวลาตื่นว่าเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องราวในความฝันเราบอกว่าไม่จริงพ่อเทศจริงเหล่านี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งว่าเรื่องไหนจริงกันแน่หรือว่าเป็นจริงทั้งสองเรื่องพยายามอ่านใจขึ้นองตัวเองในเรื่องเหล่านี้ให้ออกแล้วท่านก็จะพบทางที่จะนำไปสู่ความสว่าง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 จนกระทั่งในวางครั้งก็ปฏิเสธความจริงในด้านอื่นในเมื่อมาขัดแย้งกับความจริงที่ตนเองที่สูจนได้อันที่จริงการยึดถือในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเรื่องที่ถือไว้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงและมีประโยชน์ด้วยก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้ปล่อยวางดังเช่นที่พระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายแม้ตถาคตจะรู้ถึงปานนี้แต่ก็หายึดมั่นในความรู้นั้นไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้นี่แหละตะถาคตจึงได้พบกับความสงบอันสูงสุดข้อความที่กล่าวนี้มีอยู่ในพรหมชารสูตรเป็นข้อความที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า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 คนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจเรื่องโอปะปะติกะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณก็เพราะเมื่อตนเองเรียนรู้มาอย่างไรก็ยึดมั่นแต่ในแง่ของตัวจนกระทั่งทาให้เกิดความมืดมองไม่เห็นความจริงในด้านอื่นขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งคือ จิตของพระปัญจวัคคีได้หลุดพ้นจากอวิชชาก็เพราะไม่มีอุปาทานพุทธพจน์บทนี้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งนักการหลุดพ้นจากอวิชชาย่อมหมายถึงการรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงนั่นเองท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ก็ขอได้โปรดจำเอาไว้ก่อนว่าใจที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ถึงที่สุดนั้น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 บุพภณิมิตความฝันที่เกิดจากวิบากของตนมันดานให้เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าความฝันประเภทนี้จะออกมาในรูปของสั ญ, ญลักษณ์หรือออกมาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องแปลความหมายเช่นตัวอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็คือนางพิมพ์ฝันว่ามีจระเข้ใหญ่มาคาบอาตัวไป ซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่านางพิมพ์ถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะความลังเลที่ไม่อาจจะตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะอยู่กับขุนแผนดีหรืออยู่กับขุนช้างดีพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาทรงสุบินเห็นช้างเผือกเขาผ่องเข้ามาในห้องบรรทมซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าพระนางทรงตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้น ความฝันในลักษณะนี้เหมือนกับความฝันข้อที่สมอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นความฝันที่ประทับใจจำได้นานนับเป็นปีๆหรือบางคนอาจจะจำได้จนตลอดชีวิตไม่ว่าจะนึกขึ้นมาเวลาไหนภาพในความฝันก็ยังปรากฏชัดเจนเสมือนหนึ่งเพิ่งจะตื่นขึ้นมาจากความฝัน ถ้าหากเราพยายามศึกษาเรื่องความฝันประเภทนี้ให้เข้าใจและยอมรับว่าความฝันบางอย่างเป็นนิมิตบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าได้นั้นมีอยู่จริงๆก็จะทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณได้ลึกซึ้งขึ้นอีกมากแต่ก็ควรจะรู้ไว้ด้วยว่าความฝันที่ออกมาในรูปของนิมิตแต่แล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องไร้าสาระ ความฝันทำนองนี้ก็มีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอย่าได้ยึดถือในเรื่องเหล่านี้จนเกินไปแต่อย่างไรก็ดีข้อเท็จจริงแม้เพียงอย่างเดียวแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงก็ย่อมจะถือเป็นหลักวิชาได้หรือถือเป็นหลักสำหรับการค้นคว้าหาความจริงต่อไปได้ขอให้นึกถึงตัวอย่างการค้นพบของนักวิทยาศาสต ร, ร์ ซึ่งก็มักจะเริ่มต้นในลักษณะเดียวกันทั้งนั้นกล่าวคือครั้งแรกในเมื่อเขาพบข้อเท็จจริงบางอย่างถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแม้เพียงอย่างเดียวเขาก็จะถือเป็นหลักในการค้นคว้าต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในทางนี้โดยตรงยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ก็ย่าเพิ่งปฏิเสธว่าความฝันทั้งหมดเป็นเรื่องเหลวไหลสำหรับความฝันข้อนี้มีปัญหาอยู่ว่าเพราะเหตุใดมีบากต่างๆที่สะสมเอาไว้จึงได้แสดงในมิตรบางอย่างบอกให้รู้ถึงเหตุการณ์ข้างหน้าได้ปัญหาข้อนี้จะเข้าใจไม่ยากถ้าหากท่านยอมรับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซึ่งสามารถที่จะคานวณ หรือบอกถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าบางอย่างได้อย่างแม่นยำนั้นความจริงก็คือความสามารถภายในของมิญญาณที่แสดงออกมาในรูปของวัตถุนั่นเองขอให้เปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นผลที่ออกมาจากความสามารถภายในของมิญญาณและเครื่องคอมพิวเตอร์เท่าที่มีอยู่ในเวลานี้ก็ยังไม่ใช่เครื่องที่ดีวิเศษถึงที่สุด เครื่องคอมพิวเตอร์ยังจะต้องก้าวหน้าไปอีกมากท่านเชื่อหรือไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ถึงความสามารถของจิตใจที่มันซ่อนอยู่ภายในมานานแล้วแต่แทนที่มันจะออกมาในรูปของผู้วิเศษกล่าวคือคนที่ได้ฌานขั้นสูงเมื่อต้องการจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าในเรื่องไหน เมื่อเข้าสมาธิไปแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างซึ่งเหตุการณ์ที่ปรากฏให้เห็นในใจนั้นบางทีก็ปรากฏออกมาเป็นเรื่องอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องแปลความหมายแต่ส่วนมากมักจะออกมาในรูปเป็นปริศนาหรือเป็นนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องแปลความหมายขอได้โปรดเข้าใจว่า ความสามารถอย่างนี้ย่อมมีอยู่ด้วยกันทุกคนจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าบางคนสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ตามความต้องการแต่บางคนก็พัฒนาขึ้นมาไม่ได้แต่ส่วนมากแล้วพัฒนาขึ้นมาไม่ได้ส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้น้นก็คือผู้ที่มีความสามารถ ในการพัฒนาเอาความสามารถที่มันซ่อนอยู่ภายในออกมาใช้ได้นั่นเองขอให้สังเกตว่าโดยธรรมดาคนที่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางสลับซับซ้อนคนประเภทนี้จะต้องเป็นคนมีสมาธิดีกว่าคนทั่วๆไปมากวิธีการพัฒนาเอาความสามารถจากภายในออกมาใช้นั้น มีหลักสําคัญอยู่สองประการคือ 1. ต้องมีสมาธิดีสมาธิยิ่งสูงเพียงไรก็สามารถที่จะพัฒนาออกมาได้มากเพียงนั้น 2. ต้องมีความรู้ที่เกิดจากการเรียนการฝึกฝนอบรมในปัจจุบันและความรู้ที่จะช่วยพัฒนาออกมาได้ดีนั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทดสอบได้ลงตัวซึ่งความรู้ประเภทนี้ก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆนั่นเองร่างกายเป็นเครื่องจักรที่มีความประณีตและสลับซับซ้อนอย่างที่สุดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเพราะเพียงแต่ความสามารถของสมองอย่างเดียวก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหนือสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลาย ร่างกายก็คือตัวอย่างของการพัฒนาแบบเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์คือเกิดมาจากความสามารถภายในที่สลับซับซ้อนถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ท่านก็จะไม่ประหลาดเลยว่าทําไมมนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้และควรจะทราบไว้ด้วยว่าความสามารถของวิญญาณที่มีมาตั้งแต่กําเนิด และยังไม่ได้นำออกมาใช้นั้นยังมีเหลืออีกมากมายเพราะฉะนั้นมนุษย์ยังคิดสร้างอะไรต่ออะไรได้ดีกว่านี้อีกมากความสามารถภายในของมิญญาณอาจแสดงออกมาในรูปของการประดิษฐ์เช่นสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะออกมาในรูปของผู้วิเศษกล่าวคือไม่ต้องสร้างเครื่องมือทางวัตถุ แต่ก็สามารถที่จะรู้อะไรได้ดีเช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และบางอย่างก็อาจจะดีกว่าเสีด้วยซ้ําไปความฝันข้อที่สี่ซึ่งออกมาในรูปของสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถภายในของวิญญาณซึ่งทุกคนก็ได้มีอยู่แล้วมาตั้งแต่กําเนิดอันหนึ่ง พึงทราบไว้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากเมื่อใดความฝันในลักษณะที่เป็ น, นมิตนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่าถึงคราวที่วิบากอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในสันดานจะต้องให้ผลซึ่งอันที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับต้นไม้ทั้งหลายกล่าวคือก่อนที่มันจะมีลูกมันก็จะต้องมีดอก พอเห็นดอกเราก็รู้ว่าอีกไม่ช้ามันจะต้องมีลูกและก่อนที่มันจะมีดอกมันก็ต้องมีสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบอกให้เรารู้ว่าดอกจะเริ่มออกแล้วขอให้สังเกตว่าดอกก็ดีลูกก็ดีเป็นสิ่งที่เกิดมาจากอำนาจภายในของต้นไม้และอำนาจที่ว่านี้ ก็เกิดจากการกระทำของต้นไม้ที่สะสมเอาไว้ในอดีตและสืบต่อกันมาโดยลำดับโดยปกติความฝันในจำนวนร้อยเรื่องหรือพันเรื่อง จะมีเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งก็ทั้งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชำนาญในการสังเกตความฝันจริงๆแล้วก็ขอจะได้ด่วนตัดสินง่ายๆว่าความฝันเรื่องนี้หมายความอย่างนั้นหรือความฝันเรื่องนั้นหมายความว่าอย่างนี้และยิ่งกว่านั้นความฝันบางอย่างถึงแม้จะเคยแม่นก็ไม่ใช่จะจริงเสมอไปเช่นบางคนฝันว่า ฝันหลุดออกมาจากปากทั้งหมดซึ่งความฝันในประเภทนี้มักจะบอกให้รู้ว่าจะมีบุคคลที่ตนเคารพนับถือหรือที่มีพระคุณอย่างสูงถึงแก่ความตายความฝันแบบนี้บางคนก็แม่นแต่บางคนก็ไม่แม่นและคนคนเดียวกันเคยฝันอย่างเดียวกันบางครั้งก็แม่นแต่บางครั้งก็ไม่แม่นอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นอย่าได้ยึดถือความฝันให้มากนักทางที่ดีเราควรจะสนใจแต่ในทางวิชาการเช่นเมื่อเราสืบเสา ะ, ะแสวงหาความจริงได้แล้วว่าความฝันที่เป็นจริงนั้นมีอยู่อย่างแน่นอนและทำไมจึงเป็นความจริงในเมื่อเรารู้หลักวิชาแล้วสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติ ก็คือพยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอโดยไม่ต้องไปนึกถึงผลให้มากนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลจะได้ผลเมื่อไรเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องสนใจให้มากขอให้เรานึกถึงหลักความจริงที่ว่าการกระทาทุกอย่างย่อมมีวิบากเมื่อกระทำบ่อยๆวิบากก็มากขึ้นและเมื่อวิบากมีอยู่วันหนึ่งมันก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอน เราคิดอย่างนี้สบายใจมากกว่าและปลอดภัยดีกว่าด้วยเพราะจะไม่กลายเป็นคนงมงายหรือทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลบทที่สิอสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทุกคนรู้อยู่ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายแต่เมื่อตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่อันนี้เป็นปัญหาทุกคนสงสัยและอยากจะรู้ด้วยกันทั้งสิ้น อันที่จริงปัญหานี้เข้าใจไม่ยากถ้าหากเข้าใจเรื่องความฝันดังที่ได้กล่าวมาแล้วและจะเห็นว่าการตายแล้วเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับการนอนหลับแล้วฝันนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะมองข้ามโดยเห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระขอให้สังเกตว่ า, าศาสน า, ต, าต่างในโลกนี้ล้วนจะสอนให้เชื่อว่า คนเราตายแล้วจะต้องเกิดโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธสอนว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอคนอาจจะเกิดเป็นสัตว์และสัตว์ก็อาจจะเกิดเป็นคนได้ชีวิตของคนเราได้เวียนว่ายตายเกิดมานานแล้วนับชาติไม่ท่วนดังเช่นพระองค์ตรัสว่าอเนกาชาติสังสารางังสันทาวิสังอนิพพิสัง ขหะการางคเวสันโตทุกขาชาติปุนาปุณังขหะการกะทิโถสิปุนะเคหังนากาาักกหสิสัพพาเตพาสุกาภกขาขหะกูตังวิสังขตังวิสังขาระขตังจิตตังตันหานังขยมัชคาเราได้ส่อสแสวงหามานานแล้วว่าใครหนอเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพของเรานี้แต่ไม่พบ จึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัตรนับชาติไม่ถ้วนการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นี่นะ่านายช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้กับเราอีกไม่ได้เพราะสี่โครงของเจ้าเราก็ได้หักหมดแล้วศรีรษะของเจ้าเราก็ได้ทำลายแล้วจิตของเราได้เข้าถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปแล้ว พอได้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาแล้วพุทธพจน์บทนี้เป็นบทกวีที่พระองค์ได้ทรงเปล่งออกมาเมื่อเวลารุ่งอรุณในคืนวันวิสาขะภายหลังที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะที่โคนต้นโพพุทธพจน์บทนี้สอนให้เรารู้ว่าชีวิตของคนเราเกิดมาจากตัณหาคือความอยากและความอยากที่ว่านี้ เป็นความอยากที่เป็นไปตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลหรือจะมีเหตุผลแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นความอยากที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงเพราะความอยากที่เรียกว่าตัณหานานันถ้าลงว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องทำตามความอยากเช่นคนที่ติดเหล้าหรือติดยาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดความอยากขึ้นมาแล้วข้อต้องดื่มต้องสูบจะไม่ทำก็ไม่ไดท้ทั้งที่รู้อยู่ว่าการทำตามความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ก็บังคับตัวเองไม่ได้คนที่มีตัญหาจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่ออยากได้อะไรถ้าได้สมความปรารถนาก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจหรือถ้ามีใครมาขัดขวางก็เกิดความโกรธ ความอยากที่เรียกว่าตัณหามีลักษณะอย่างนี้และลักษณะของตัณหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะที่แน่นอนเป็นลักษณะเฉพาะของตัณหาจริงๆก็คือความคิดอันใดถ้าเกิดจากตัณหาแล้วเราปล่อยวางได้ยากจะปัดออกไปทันทีไม่ได้และตราบใดที่ตัณหายังมีอยู่ในใจ เราจะไม่สามารถทําใจให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆได้จะไม่สามารถทําใจให้เป็นอิสระได้และเมื่อใจไม่เป็นอิสระเราก็ต้องตกเป็นทาสของประสาทสัมผัสตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมได้เคยกล่าวมาแล้วว่าประสาทสัมผัสให้ความรู้ที่จํากัดมากเพราะฉะนั้นคนที่ตกเป็นทาสของประสาทสัมผัส จะต้องอยู่ในความหลงผิดอยู่เสมอแต่ตรงกันข้ามถ้าหากเราสามารถทำใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์และจากความนึกคิดต่างๆได้เราก็สามารถทำใจให้สงบได้เข้าสมาธิได้ทันแล้วก็จะมีความแจ่มใสมีความเบิกบานใจเอาชนะอิทธิพลของความนึกคิดได้หมดทุกอย่างความรู้แจ้งจากภายใน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสก็จะเริ่มเกิดขึ้นและจะมากขึ้นโดยลำดับถ้าหากใจของเราเป็นอิสระมากขึ้นโดยธรรมดาปุถุชนจะต้องมีตัณหาเกิดขึ้นเสมอทุกขณะโดยเฉพาะคือกามตัณหาซึ่งหมายถึงความอยากความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ต, ต่างๆ ความอยากอันนี้จะสงบได้จริงๆก็ต่อเมื่อเข้าสมาธิได้จึงกระทั่งมีองค์ฌานเกิดขึ้นกล่าวคือสามารถจะนึกและคิดอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวได้อย่างอิสระโดยไม่มีความคิดอย่างอื่นที่ไม่ต้องการแทรกเข้ามาได้เลยและในเวลาเดียวกันภายในจิตใจก็มีปีติและสุขเกิดขึ้นถ้าหากผู้ใดาสามารถเข้าสมาธิได้อย่างนี้ ก็แปลว่าในขณะนั้นกามาตัณหาสงบกล่าวคือในจิตสํานึกไม่มีกามาตัณหาเหลืออยู่เลยแต่ยังคงมีอยู่ในจิตไร่าสานึกและที่มันไม่มีก็เพราะในขณะที่เข้าสมาธิอยู่นั้นมันไม่ฟุ้งขึ้นมาเหมือนกับน้ําสกปรกที่เราเอามาใส่ขวดตั้งทิ้งไว้นานๆในที่สุด สิ่งโซกโปรกต่างๆก็จะนอนจมก้นขวดส่วนน้ำข้างบนใส่จิตของคนที่เป็นสมาธิก็มีลักษณะอย่างเดียวกันขอให้สังเกตดูว่าถ้าหากในขณะใดไม่มีตัณหาอยู่ในใจในขณะนั้นเราจะสามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้ง่ายคนทั่วๆไปเข้าสมาธิไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ อดคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้ก็เพราะมีตันหาอยู่ในใจและเมื่อพูดถึงตันหาก็ขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าไม่ได้มีความหมายแต่ในทางต่ําช้าเพราะความอยากหรือความปรารถนาอันใดแม้จะเป็นไปในทางที่ดีแต่ในเมื่อความอยากอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วทําให้จิตใจเป็นอิสระไม่ได้เช่น ในเมื่อเราต้องการจะสลัดความคิดทุกอย่างออกไปให้หมดต้องการจะทำใจให้ว่างเพื่อให้นอนหลับง่ายหรือเพื่อพักผ่อนสมองหรือเพื่อต้องการจะเข้าสมาธิก็าตามแต่แล้วก็ทำไม่ได้เพราะความคิดต่างๆยังคนสอดแทรกเกิดอยู่เสมอก็แปลว่าความปรารถนาที่มีอยู่ในขณะนั้นแม้จะเป็นไปในทางที่ดีก็คือตัณหานั่นเอง โปรดจำให้ดีว่าถ้าตันหายังมีอยู่ใจจะสงบไม่ได้บางคนชอบคิดในทางอากุศลบังคับควบคุมความนึกคิดอันนี้ไม่ได้นั่นเป็นเพราะมีตันหาในทางชั่วส่วนบางคนซึ่งมีความคิดฟุ้งซ่านอยากจะทำนั่นทำนี่หรืออยากจะได้อันนั้นอันนี้ซึ่งทุกอย่างที่อยากได้หรืออยากเป็น ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีคนที่ฟุ้งซ่านแบบนี้ซึ่งควบคุมความนึกคิดไม่ได้แม้จะคิดในทางดีก็ตามความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดความนึกคิดเหล่านี้ก็เป็นตันหาอีกเหมือนกันส่วนผู้ที่ไม่มีตันหาอยู่ในใจเลย น, น้นใจจะสงบและเป็นอิสระอยู่เสมอทุกขณะจิต แต่ผู้ที่จะไม่มีตัณหาในสันดานเลยก็มีแต่พระราหันเท่านั้นขอให้สังเกตว่าตราบใดที่เรายังมีตัณหาอยู่ในสันดาน ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีวันหยุดนิ่งได้เลยเปน็นอนขาดเราจะไม่สามารถทำจะให้ว่างจากความรู้สึกนึกคิดได้คือแปลว่าจะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลาตื่นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราหยุดนึกคิดไม่ได้ความนึกคิดจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาไม่คิดถึงเรื่องนั้นก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ แม้ในเวลาหลับก็ยังอดคิดไม่ได้ซึ่งเราจะสังเกตได้จากความฝันซึ่งเกิดจากความนึกคิดตามหลักในคำพีกล่าวว่าผู้ที่นอนหลับไม่ฝันเลยมีบุคคลอยู่ประเภทเดียวเท่านั้นคือพระราหันทั้งนี้ก็เพราะมีกฎอยู่ว่าเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่ตัณหา ย, ยังมีอยู่ ความรู้สึกเนอเคิดจะต้องมีอยู่เสมอคือดับแล้วก็เกิดอีกสืบต่ออยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเปรียบเสมือนกับเปลวไฟที่ลุกโครงอยู่เสมอซึ่งหมายความว่าในเมื่อปัจจัยต่างๆที่ทำให้เปลวไฟลุกยังคงมีอยู่เช่นไฟตะเกียงในเมื่อไส้ยังมีอยู่น้ามันก็ยังมีอยู่ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการลุกไหม้คือออกซิเจนก็ยังคงมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เปลวไฟก็จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆทั้งๆที่เปลวไฟมีการเกิดดับและการเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเมื่อดับแล้วมันก็เกิดอีกแต่ตอนที่มันดับเรามองไม่เห็นเห็นแต่ตอนที่มันลุกวิญญาณก็เหมือนกัน จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นอยู่เสมอในเมื่อตัณหายังมีอยู่ในสันดานอันหนึ่งขอได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าในขณะที่อยู่ในสมาธิถึงแม้ว่าเราจะเข้าสมาธิได้ลึกจงกระทั่งไม่รู้สึกถึงสิ่งภายนอกเลยความรู้สึกนึกคิดภายในก็ยังคงมีอยู่เสมอไม่ดับท้งนี้ก็เพราะตัณหายังมีอยู่ และโดยกฎธรรมดาเมื่อวิญญาณเกิดคือความรู้สึกนึกคิดเกิดก็จะต้องมีนามารูปเกิดซึ่งคำว่ารูปในที่นี้จะหมายถึงมโนภาพก็ได้จะหมายถึงพฤติกรรมต่างๆก็ได้หมายถึงร่างกายก็ได้เพราะคำว่ารูปในทางพุทธศาสนามีความหมายกว้างมากและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าวิญญาณของคนเราทุกคน ย่อมมีความสามารถในการสร้างชีวิตอยู่เสมอและถ้าวิญญาณยังติดอยู่ในวัตถุยังมีความพอใจในการมีตัวตนพอใจในการมีชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้วิญญาณเกิดในขณะใดก็จะต้องมีรูปเกิดขึ้นในขณะนั้นเสมอเพราะฉะนั้นเพียงแต่มีความอยากที่จะเกิดอยากที่จะมีตัวตนเท่านั้น ชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเป็นตัวนายช่างที่สร้างเรือนคืออัตภาพของเราขอให้พยายามพิจารณาให้ซึ้งว่าแม้แต่ในขณะที่เรายังอยู่ในท้องแม่เราก็มีความรู้สึกนึกคิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนีิแล้วเพราะถ้าความรู้สึกนึกคิดไม่มี ร่างกายจะมีชีวิตและเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้อย่าลืมว่าสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นมาอย่างมีความหมายก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากวิญญาณและวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยตัณหาและเมื่อวิญญาณเกิดนามรูปก็จะต้องเกิดเพราะฉะนั้นแม้เราทุกคนจะจําไม่ได้เลยว่า ในขณะที่อยู่ในท้องแม่เรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรก็อย่าเข้าใจผิดว่าในตอนนั้นเราไม่มีความรู้สึกนึกคิดข้อนี้โปรดพิจารณาให้ละเอียดบางคนเมื่อนอนหลับและฝันแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วจําได้เดี๋ยวเดียวครั้นแล้วก็ลืมอย่างนี้ก็มีแต่บางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจําความฝันไม่ได้เลยก็มี ทางนี้เป็นเพราะสมองกล่าวคือถ้าสมองยังไม่เจริญหรือสมองเสื่อมแล้วหรือสมองยังอยู่ในขั้นต่ำมากเช่นสมองของพวกสัตว์ทั้งหลายสำหรับคนที่มีสมองแบบนี้จะจำไม่ได้ถึงความรู้สึกนึกคิดที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมเมื่อเราอยู่ในท้องเราจึงจาไม่ได้ว่า ตอนนั้นเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรหรือฝันเห็นอะไรบ้างคนเราเมื่อนอนหลับก็จะต้องฝันทุกคนไม่มีใครซึ่งถ้ายังมีตันหาอยู่นอนหลับแล้วจะไม่ฝันไม่มีเลยและอันนี้คือข้อเท็จจริงที่บอกให้เรารู้ว่าเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนในตอนที่เราหลับก็เหมือนกับในตอนที่เราตายคือร่างกายตาย ส่วนวิญญาณยังอยู่เมื่อวิญญาณยังอยู่และยังจะต้องเกิดอีกเพราะยังมีตัญหานามรูปก็จะต้องเกิดอีกนามเกิดหมายถึงเวทนาสัญญาและสังขารเกิดส่วนรูปเกิดหมายถึงร่างกายเกิดแต่คําว่ารูปในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายกว้างมากดังที่ได้อธิบายมาแล้วเช่นมโนภาพที่เกิดในใจก็เรียกว่ารูป ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวิญญาณเกิดคือไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกิดนานครั้งแรกมโนภาพจะเกิดขึ้นก่อนซึ่งเริ่มต้นจากมโนภาพที่ไม่มีชีวิตจนกระทั่งถึงขั้นที่มีชีวิตโปรดพิจารณาให้ดีในขณะที่เรานอนหลับและฝันนานเราจะพบว่าในความฝันมีตัวตนมีการเห็นการได้ยิน มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้ก็เกิดมาจากวิญญาณขอให้สังเกตว่าวิญญาณสามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวข้อมันเองคือเกิดขึ้นมาจากตัณหาที่มีอยู่ในตัวข้อมันอย่าเข้าใจผิดว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยร่างกายเท่านั้นเพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมองไม่เห็นว่า เมื่อร่างกายนี้ตายตาหูจมูกลิ้นประสาท ต, ต่างๆซึ่งรวมทั้งสมองใช้การไม่ได้แล้ววิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่ามัวไปคิดแต่ในแง่เดียวว่าต้องมีตาการเห็นจึงจะเกิดต้องมีหูการได้ยินจึงจะเกิดอย่าคิดแต่ในแง่นี้ถึงแม้ความจริงจะเป็นเช่นนี้ก็าตามเช่น ในขณะที่รอนอนหลับและฝันนั้นความเป็นจริงการเห็นการได้ยินตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดในขณะที่ฝันนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสมองเหมือนกันแต่ก็ขอให้สังเกตว่าถ้าวิญญาณยังเกาะเกี่ยวอยู่กับร่างกายมากภาพในความฝันก็ไม่ชัดและสำหรับคนที่จวนจะตาย ซึ่งประสาทต่างๆค่อยๆหมดประสิทธิภาพไปโดยลำดับแต่ตัวตนในความฝันก็ับมีความเข้มข้นมากขึ้นและเริ่มมีชีวิตซึ่งรวมทั้งมีประสาทต่างๆเกิดขึ้นด้วยและใช้การได้ด้วยจากข้อเท็จจริงอันนี้ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยร่างกายก็จริง แต่ร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่วิญญาณสร้างขึ้นมาเองเมื่อกายเนื้อใช้ไม่ได้มันก็สร้างกายทิพย์ขึ้นมาเพราะสําหรับวิญญาณที่ยังติดอยู่ในวัตถุยังมีความพอใจและยึดมั่นในการมีตัวตนนั้นวิญญาณจะอยู่โดยปราศจากร่างกายไม่ได้และวิญญาณก็สามารถที่จะสร้างร่างกายขึ้นมาได้เสมอ กาคำอธิบายซึ่งได้พยายามทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่กล่าวมานี้จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าตันหาเป็นเหมือนหนึ่งนายช่างผู้สร้างเรือนเพราะถ้าตันหาไม่มีกล่าวคือความอยากที่จะมีชีวิตมีตัวตนความอยากที่จะเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าความอยากต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นความอยากชนิดไหนวิญญาณก็จะต้องดับสนิทคือจะไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นมาอีกแต่เราก็เห็นกันแล้วว่าในวิสัยของคนธรรมดาไม่มีใครที่ไม่มีตัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนปัญหาว่าจะไม่เกิดนั้นไม่มีแน่ เพราะการตายแล้วเกิดนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นเดียวกับเมื่อเรานอนหลับแล้วก็ต้องฝันการที่จะไม่ฝันนั้นไม่มีอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่า การเกิด บ, บ่อยๆเป็นทุกข์เพราะผู้ที่เกิดมาในโลกนี้หรือจะไปเกิดในโลกไหนก็ตามทุกคนล้วนแต่เกิดมาจากตัณหาของตนเองทั้งสิน้นอย่าลืมว่าตัณหาหมายถึงความอยากความพอใจหรือความต้องการซึ่งควบคุมไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การเกิดของเราแต่ละบุคคลก็อยู่ในฐานะที่จะเลือกเอาไม่ได้ คือจะให้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจปรารถนาไม่ได้ขอให้สังเกต ด, ดูคนในโลกมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วมีความสุขจริงๆถ้าไม่เข้าใจก็ขอให้สังเกต ด, ดูอย่างนี้มีใครบ้างที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้อย่างเด็ดขาดกล่าวคือสามารถบังคับความรู้สึกนึกคิดได้จริงๆเช่น จะให้คิดหรือไม่ให้คิดแต่ในเรื่องไหนก็สามารถทำได้ตามความตั้งใจเสมออย่าลืมว่าคนที่จะเกิดมามีความสุขนั้นจะต้องสามารถบังคับใจตนเองได้แต่คนประเภทนี้หายากที่สุดฉะนั้นในเมื่อคนทั่วไปบังคับความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ต้องตกเป็นทาสอารมณ์ ตกเป็นธาตุประสาทสัมผัสของตัวเองซึ่งทําให้ต้องอยู่ในความหลงผิดอยู่เสมอเช่นนี้ทําไมการเกิดจะไม่เป็นทุกข์และยิ่งบังคับการเกิดไม่ได้คือเลือกเอาไม่ได้และทั้งจะต้องเกิดบ่อยเกิดแล้วเกิดอีกหนีการเกิดไม่พ้นเพราะละตัณหาไม่ได้การเกิดจะเป็นทุกข์สขนาดไหนแต่ถึงกระ น, นั้น คนส่วนมากก็ยังไม่รู้สึกตัวกันอยู่นั่นเองยังเข้าใจว่าการเกิดเป็นของดีและต้องการที่จะเกิดอยู่เสมอทั้งที่ตัวเองบังคับการเกิดของตนเองไม่ได้ไม่มีใครรู้สึกว่าการเกิดของตัวเองแต่ละชาตินั้นยังไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยและถ้าจะให้ปลอดภัยก็มีอยู่ทางเดียว เราต้องพยายามหัดเอาชนะใจตัวเองเพราะเมื่อเอาชนะได้มากขึ้นเพียงไรการเกิดใหม่ของเราแต่ละชาติก็จะดีขึ้นโดยลําดับเพียงนั้นขอได้โปรดจําหลักไว้อย่างหนึ่งว่าพระอริยะบุคคลเช่นพระโสดาบันเป็นต้นซึ่งเป็นผู้ที่ละตันหาได้มากและละได้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะคือตันหาในขั้นยาบ ซึ่งเป็นตัญหาที่จะนำไปสู่อบายภูมิท่านละได้หมดก็จริงแต่ตัญหาในขั้นละเอียดประณีตซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรมอย่างสูงของท่านยังมีอยู่เช่นยังมีความอยากมีความพอใจที่จะมีตัวตนมีชีวิตที่สมบูรณ์ความอยากเพียงเท่านี้ก็ยังทำให้ท่านต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้กล่าวว่า ถ้าอยากมีชีวิตเป็นต้องได้ชีวิตแต่ชีวิตจะเป็นอย่างไรสุดแล้วแต่วิบากการเกิดง่ายกว่าการตายเพราะทุกคนพร้อมที่จะเกิดอยู่แล้วและทุกคนก็ได้เกิดก่อนตายซียดซ้ำไปโดยธรรมดาเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญยังเป็นปกติดีอยู่ แต่ถ้าหากส่วนที่สำคัญเกิดเป็นอันตรายขึ้นมาเช่นกระดูกที่โครงหักยับเยินหมดทุกซี่ศรีรษะถูกตัดขาดเช่นนี้คนคนนั้นก็ย่อมมีชีวิตอยู่ไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากระดูกสี่โครงของเจ้าทั้งหมดเราก็หักหมดแล้วศรีรษะของเจ้าเราก็ตัดออกแล้วอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเพื่อจะเชีหเห็นว่า ตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนนายช่างผู้สร้างเรือนนานบัดนี้ได้ถึงแก่ความตายแล้วเพราะฉะนั้นตัณหาจะสร้างเรือนคืออัตภาพขึ้นมาอีกไม่ได้คำว่ากระดูกที่โครงที่พระองค์ตัสถึงนี้หมายถึงกิเลสอย่างอื่นซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลทำให้เกิดตัณหาเช่นอุปาทานเป็นต้นส่วนคำว่าศีรษะหมายถึงอวิชชา โดยธรรมดาตัณหาจะเกิดขึ้นมาได้ก็พร้อมมีอวิชชาและมีอุปาทานเป็นปัจจัยถ้าหากอาวิชชาและอุปาทานไม่มีตัณหาย่อมมีไม่ได้อันหนึ่ง คำว่าจิตของเราได้เข้าถึงวิสังขารคำว่าวิสังขารในทีนี้หมายถึงนิพพานคำว่าวิสังขารตามศัสตร์แปลว่าสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งถ้าตัณหายังมีอยู่ในสันดานจิตย่อมไม่เป็นอิสระอารมณ์ต่างๆสามารถที่จะปรุงแต่งหรือชักจูงให้จิตเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ได้ตามอำนาจของมัน แต่ถ้าหากตัณหาไม่มีแล้วจิตย่อมมีความมั่นคงเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะใช้ความนึกคิดได้อย่างอิสระกล่าวคือเมื่อตั้งใจจะนึกคิดอย่างไรก็มีแต่ความนึกคิดอย่างนั้นอย่างอื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้และถ้าตั้งใจที่จะไม่นึกคิดอะไรเลยไม่ให้มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเลย ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็จะดับสนิทซึ่งเป็นการดับที่ไม่มีความกดดันอยู่ภายในอนหนึง่งผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นฌานขั้นที่แปดผู้ที่อยู่ในฌานนี้ความรู้สึกจะสงบอย่างยิ่งคล้ายกับคนที่หลับสนิทที่สุดโดยไม่รู้สึกว่าฝันเลย หรือเหมือนกับคนที่สลบจนจะตายความรู้สึกต่อสิ่งภายนอกไม่มีเลยเรื่องเราใดๆเช่นเสียงแม้จะดังขนาดฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินใครจะมาจับตัวขย่าวหรือทําอย่างไรก็ไม่รู้สึกแต่ถึงกระ น, นั้นถ้าหากผู้เทด้ฌานนี้ยังละตันหาไม่ได้ความรู้สึกภายในก็ยังจะต้องมีเหลืออยู่ คำว่าเนวะสัญญานาสัญญาญัตนะตามศัพท์แปลว่าจะว่ามีความรู้สึกก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในฌานนี้คล้ายกับผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปฝึกและทรงได้ฌานขั้นนี้มาจากท่านอุทกาดาบทแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ทาง น, นี้ยังไม่เป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดยังช่วยเกิดสัพพัญยุตยานไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ลาออกจากสำนักนี้เพราะที่สำนักนี้สอนได้เพียงแค่นี้ต่อจากนี้พระพุทธเจ้าก็เดี๋ยวส่งค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนกระทั่งในที่สุดได้ส่งรู้แจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทสรงรู้แจ้งอริยสัจ และทรงละตัณหาได้สิ้นเชิงทรงบรรลุถึงสัพพัญญุตญาณซึ่งแปลว่าญาณที่ทำให้รู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงและจิตใจของพระองค์ก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้ตรัสว่าบาัดนี้จิตของเราได้เข้าถึงวิสังขารไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ต่อไป เพราะได้บรรลุถึงความสิ้นไปแห่งตันหาบทที่2 2จุดหมายของชีวิตจุดหมายของชีวิตที่แท้จริงและถูกต้องซึ่งเป็นจุดหมายของชีวิตทั้งมวลก็คือความพ้นทุกข์หรือการหมดปัญหาในสิ่งทั้งปวงซึ่งหมายความว่าไม่มีปัญหาอะไรที่เหลือให้สงสยัยหรือว่าตอบไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรู้แจ้งหมดแล้วตามความเป็นจริงและการที่คนเราจะบรรลุถึงจุดหมายอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะตัญหาได้โดยเด็ดขาดตันหาในสันดาลไม่มีเหลืออยู่เลยและถ้าตันหาไม่มีอุปาทานก็ย่อมไม่มีคือใจจะไม่เกาะหรือติดอยู่ในสิ่งใดๆจิตใจจะเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่น และจะมีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่เสมอทุกขณะจิตพระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบภาวะของจิตเช่นนี้ไว้ว่าเหมือนกับน้ําบนใบบัวหรือเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มโดยธรรมดาน้ําที่อยู่บนใบบัวน้ําจะไม่ติดอยู่ที่พื้นของใบบัวเมื่อใบบัวเอียงไปทางไหนน้ําก็จะไหลไปทางนั้นทันที เพราะที่ผิวพื้นของใบบัวมีนวลจึงไม่ทําให้น้ําซึมปลายเข็มเป็นสิ่งที่เล็กมากมเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็เล็กมากฉะนั้นเมื่อวางเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มมันก็จะหล่นทันทีทั้งสองอย่างนี้เป็นคําเปรียบเทียบเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จะละตันหาได้โดยสิ้นเชิง น, นั้นเมื่อนึกถึงอารมณ์อะไร จิตก็จะอยู่เฉพาะแต่ในอารมณ์อันนั้นและอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะควบคุมความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้และเมื่อต้องการจะเปลี่ยนอารมณ์หรือต้องการนึกถึงเรื่องอย่างอื่นอารมณ์อันเก่าความคิดอันเก่าก็จะหายวับไปทันทีไม่มีอารมณ์ค้างเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวคนที่มีอารมณ์ค้างมีความฟาุ้งซ่าน มีความไม่สงบมีสติสมัญญะไม่ค่อยอยู่กับตัวทั้งหมดเป็นเพราะมีความกดดันอยู่ภายในเป็นเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆและเพราะยังมีความสงสัยหรือมีความไม่รู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงส่วนผู้ที่ละตันหาอุปาทานและวิชาได้หมดแล้วจิตใจจะเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลาไม่มีอารมณ์ค้างเหลืออยู่เลย การติดอยู่กับอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่มีและเมื่อต้องการจะให้ความรู้สึกนึกคิดดับสนิทก็จะดับได้ทันทีเขาพระเจ้าได้เคยที่บายมาแล้วว่าถ้าจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นเพียงไรอำนาจจิตก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นและความรู้แจ้งจากภายในก็จะมีมากขึ้นอภินยาต่างๆก็จะเกิดขึ้น และความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้จักภายในเกิดขึ้นเมียพิญญาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตจึงไม่ใช่อยู่ที่ความร่ำรวยการมีชื่อเสียงการมีอำนาจมีความเป็นอยู่สะดวกสบายอะไรทำนองนี้เพราะการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้จะมากแต่เพียงไร ก็ไม่ช่วยคนเราพ้นทุกข์หรือจะช่วยให้ชีวิตมีความสมบูรณ์จริงๆการเอาชนะใจตัวเองต่างหากที่เป็นจุดหมายันแท้จริงของชีวิตเพราะการพยายามเอาชนะใจตนเองเท่านั้นที่จะเป็นทางนำไปสู่ความสําเร็จสมความปรารถนาได้ทุกอย่างและในที่สุดในเมื่อสามารถทำใจให้เป็นอิสระได้อย่างสมบูรณ์ หรือพูดอีกนาย ห, หนึ่งคือการได้บรรลุถึงวิสังขารซึ่งจะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตใจได้อีกต่อไปชีวิตก็เป็นอิสระอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงและรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงโดยไม่ต้องอาศัยการศึกษาอย่างที่เราทํากันอยู่เพราะสามารถแสวงหาความรู้ทุกอย่างจากตัวเองได้และสามารถที่จะเป็นอะไรได้ทุกอย่างสมความปรารถนา ในเมื่อต้องการจะเป็นเพราะการที่คนเราจะมีชีวิตอยู่แบบไหนมีอายุยืนยาวเท่าไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ดีการบรรลุถึงจุดหมายเช่นนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยากสำหรับคนทั่วไปแต่ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามเดี๋ยวนี้เขาจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม แต่สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจและจะเกิดความต้องการซึ่งทุกคนจะเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าบางคนช้าแต่บางคนก็เร็วกว่าจะรู้สึกตัวว่าจดหมายที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะแสวงหาคืออะไรหรือสมบัติอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด หรือเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบไหนจึงจะดีที่สุดปัญหาต่างๆเหล่านี้ในที่สุดเราทุกคนก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ด้วยตนเองและในเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันหรือตรงกันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทุกอย่างเกิดมาจากใจเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราพยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้ค่อยๆสูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆครั้นแล้วความเจริญในด้านวัตถุก็จะตามมาเองคนในโลกส่วนมากไม่เข้าใจว่าความเจริญในด้านจิตใจเป็นรากฐานสาคัญของความเจริญในด้านวัตถุหรือถ้าหากจะเข้าใจก็เข้าใจเฉพาะแต่ในแง่ว่า ถ้าเรามีความรู้ความสามารถในการสร้างวัตถุหรือมีความสามารถในด้านการทํางานต่างๆที่จะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งวัตถุตามที่ต้องการเราก็จะมีความเจริญในด้านวัตถุส่วนความเจริญในด้านภูมิธรรมยังมองกันไม่ค่อยเห็นว่าจะเป็นเหตุของความเจริญในด้านวัตถุได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันเราจึงพบแต่ว่า คนส่วนมากพยายามเรียนวิชาการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในทางอาชีพเท่านั้นส่วนความรู้ในทางศาสนาเพราะเหตุที่ยึดถือเอาเป็นอาชีพไม่ได้จึงไม่นิยมเรียนกันและยิ่งกว่านั้นเรายังจะพบอีกว่าการโกหกการหลอกลวงการทําลายซึ่งกันและกันการเอาเปรียบกันสิ่งเหล่านี้จเจริญขึ้นมาก ทั้งนี้ก็เพราะเขามองไม่เห็นว่าความเจริญในด้านภูมิธรรมเป็นรากฐานที่แท้จริงของความเจริญในด้านวัตถุแต่ถ้าหากคนทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงเรื่องวิบาบต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเขาก็คงจะต้องพยายามขวนขวายสร้างจิตใจของเขาให้เจริญทั้งในด้านความรู้และภูมิธรรมต่างๆแต่อย่างไรก็ดี ความเจริญในด้านจิตใจย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านวัตถุด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นคนที่จะมีจิตใจสบายสามารถที่จะฝึกสมาธิจเจริญวิปัสสนาได้สร้างความดีต่างๆได้ก็ตอบเมื่อร่างกายต้องแข็งแรงมีอนามัยดีและความเป็นอยู่สะดวกสบายมีเสถียรภาพในการครองชีพเพราะฉะนั้น ความเจริญในด้านวัตถุจึงเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับความก้าวหน้าในทางจิตใจแต่ถึงจะสำคัญอย่างไรความเจริญของวัตถุหลากส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงควรพยายามสร้างจิตใจของเราให้เจริญด้วยภูมิธรรมต่างๆเช่นเราพยายามหัดให้มีความขยันอดทน กล้าหาญ ร, รู้จักรับผิดชอบและเหนือสิ่งอื่นใดต้องหันให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละหัดให้มีความเมตตากรุณาและมีความยุติธรรมถ้าหากพื้นจิตใจของเราเป็นดังที่กล่าวมาก็เป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนว่าเราจะต้องมีความเจริญในด้านวัตถุด้วยจะลืมว่าความก้าวหน้าในทางจิตใจเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงเพราะถึงแม้ในชาตินี้เราจะมั่งมีเงินทองมีความสมบูรณ์ในด้านวัตถุมากเสียเพียงไรทุกคนก็รู้อยู่ว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้และถ้าหากเรามุ่งแสวงหาแต่วัตถุโดยไม่คํานึงถึงศีลธรรมด้วยแล้วจิตใจของเราก็จะต้องถอยหลังและในเมื่อถอยหลังก็ย่อมหมายถึงว่า ความเจริญในด้านวัตถุก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปด้วยแต่ตรงกันข้ามเมื่อเราฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าในทางจิตใจได้แค่ไหนตายไปแล้วความก้าวหน้าก็ยังคงอยู่และจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆในเมื่อเราพยายามทำแต่ความดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่าคนที่จะเกิดมาร่ำรวย มีความสุขความเจริญจริงจริงนั้นจะต้องเป็นคนมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือเคยบริจาคทานมากมายคือเคยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่คิดหวังผลตอบแทนมาแล้วอย่างมากมายน่าดีตพุทธพจน์ข้อนี้ควรจะพิจารณาให้มากเพราะถ้าไม่พิจารณาให้มากก็จะมองไม่เห็นความจริง แต่อย่างไรก็ดีความจริงในเรื่องนี้จะมองเห็นได้ง่ายก็เฉพาะบุคคลที่มีนิสัยเสียสละส่วนคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวยากที่จะมองเห็นความจริงในเรื่องนี้ ความเจริญในด้านจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่มีการข้ามขั้นหรือทางลัดเพราะทุกคนกว่าจะก้าวขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือการเอาชนะใจตนเองได้อย่างเด็ดขาดและชนะได้ทุกกรณีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอ เ <S an throp ic> หตุการณ์ต่างๆทําให้เกิดความทุกข์ไม่ได้เลยนั้นจะต้องมีรากฐานในจิตใจสมบูรณ์หมดทุกด้านเช่นเมื่อพูดถึงบรารมีทั้งสิบก็จะต้องมีครบทุกอย่างหรือเมื่อพูดถึงพรหมวิหารสี่ก็ต้องมีครบทุกข้อเมื่อพูดถึงมรรคมีองค์แปดก็ต้องมีครบทุกข้ออย่างนี้เป็นต้น เพาถ้าคุณธรรมแต่ละอย่างยังเจริญไม่ได้มาตรฐานแล้วเขาก็จะไม่มีทางบรรลุถึงจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ได้กล่าวมาแล้วว่าความเจริญของจิตใจย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านวัตถุด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องขนขวายในการสร้างความเจริญในด้านวัตถุให้แก่ตัวเองและแก่สังคมด้วยและในเมื่อเรารู้แล้วว่า การที่คนเราจะเกิดมามีความเจริญในด้านวัตถุนั้นย่อมขึ้นอยู่กับรากฐานในทางจิตใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมาจากใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนที่พยายามสร้างความเจริญในด้านจิตใจนั้นย่อมจะประสบความสําเร็จทั้งในทางวัตถุและในทางจิตใจคือจะสบายทั้งกายและใจ ส่วนคนที่คิดแต่จะแสวงหาความเจริญในด้านวัตถุโดยไม่คานึงถึงศีลธรรมเขาก็จะต้องประสบความเสื่อมทั้งในทางวัตถุและจิตใจคือในทางกายก็ลำบากในทางใจก็เป็นทุกข์อยู่เสมออันหนึง่งถึงแม้จะมีหลักอยู่ว่าชีวิตในปัจจุบันเป็นผลที่สื่อเนื่องมาจากการกระทำในอดีตชาติและการกระทำในปัจจุบัน ก็จะมีผลออกมาจริงๆก็ต้องรอไปถึงชาติหน้าถึงแม้หลักจะมีอยู่อย่างนี้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตปัจจุบันเราไม่ต้องคิดแสวงหาความสุขไม่ต้องสนใจในการที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ให้สะดวกสบายขึ้นไม่ต้องสนใจที่จะสร้างความเจริญในด้านวัตถุให้เห็นผลในชาตินี้ขอให้เข้าใจว่า พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนี้แต่ตรงกันข้ามพุทธศาสนาสอนว่าเราจะต้องพยายามสร้างฐานะในปัจจุบันให้เจริญและมีความมั่นคงแต่ในเวลาเดียวกันเราจะต้องพยายามทําใจให้สบายอยู่เสมอด้วยไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นการทําใจให้สบายอยู่เสมออันนี้สําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ไม่ว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรอยู่ในฐานะอย่างไรก็ต้องพยายามทำใจให้สบายอยู่เสมอและถ้าหากคนไหนประสบกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแต่แล้วก็สามารถทำใจให้สบายได้นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงของชีวิตและขอให้พยายามศึกษาดูจากใจของเราและจากใจของคนอื่น คนที่ยังมีความชั่วอยู่ในใจมากจะสามารถทำใจให้สบายอยู่เสมอได้หรือไม่แล้วเราก็จะพบว่าคนที่จะสามารถทำใจให้สบายอยู่ได้เสมอนานปัจจัยสำคัญอยู่ที่การพยายามเอาชนะตันหาแต่คนที่จะเอาชนะตันหาได้ก็ต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างเพียงพอไม่เช่นนั้นจะเอาชนะมันไม่ได้ แลาจะต้องเข้าใจเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงด้วยจะต้องไม่อยู่ในความหลงผิดอันนี้คือรากฐานสําคัญที่จะทำให้คนเรามีจิตใจสบายอยู่เสมออ่นหนึง่งการละตัญหานั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพยายามบังคับตัวเองทุกอย่างวิธีละตัญหาในแบบที่เราทำกันอยู่เสมอซึ่งเป็นแบบที่ไม่ยากเป็นแบบธรรมชาติ ก็คือเรื่องการแต่งงานผู้ที่แต่งงานแ้าแต่งด้วยความรักและมีคุณธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายเราก็จะพบว่าจะทำให้ตันหาราคะค่อยๆน้อยลงและในเวลาเดียวกันคุณธรรมต่างๆก็จะเริญขึ้นคนที่ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะตัดกิเลสอันนี้ได้จริงๆแต่แล้วพยายามไปตัดก็จะเกิดความกดดัน ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียหายในภายหลังอย่างมากมายส่วนผู้ที่ตามใจตัวเองในเรื่องนี้แต่ก็มีขอบเขตไม่ตามใจสีทุกอย่างนั้นกิเลสในทางนี้จะค่อยๆสงบลงการมาครับควบคุมตัวเองก็ทำได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ทั้งนี้ต้องเป็นการแต่งงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมและตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือ การรับประทานอาหารผู้ที่มีการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของอาหารและเข้าใจถึงความจำเป็นของร่างกายที่ควรจะได้อาหารประเภทไหนบ้างจึงจะเป็นการเหมาะสมแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักอนามัยและพยายามที่จะกินอยู่อย่างง่ายๆโดยคำนึงถึงความต้องการของร่างกายเป็นหลักใหญ่นี่ก็คือตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นการละตันหาอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบที่เราใช้กันอยู่แล้วอย่าลืมว่าคำว่าตันหาหมายถึงความอยากความพอใจหรือความต้องการที่เป็นไปตามอารมณ์ไม่มีเหตุผลหรือถึงแม้จะมีเหตุผลแต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ทาให้จิตใจต้องตกเป็นาทาสของสิ่งแวดล้อมหรือตกเป็นทาสอารมณ์อันหนึง่ง ขอให้เข้าใจไว้ด้วยว่าผู้ที่ละตันหาได้นั้นไม่ได้หมายความว่าในชีวิตจะไม่มีความต้องการอะไรเลยความจริงไม่ใช่เช่นนี้ตรงกันข้ามผู้ที่ละตันหาก็ยังมีความต้องการต่างๆอีกมากมายแต่ก็ต่างจากเมื่อก่อนตรงที่เดี๋ยวนี้มีแต่ความต้องการซึ่งเป็นไปตามเหตุผลและพร้อมที่จะปล่อยวาง ความต้องการอันนี้เข้ามาแทนที่ตัณหาตัณหาหมดไปมากเพียงไรความต้องการที่มีเหตุผลนี้ก็จะเข้ามาแทนที่มากเพียงนั้นขอให้พิจารณาดูคนที่ทำอะไรมีเหตุผลและรู้จักปล่อยวางได้เสมอในเมื่อผิดหวังหรือไม่ได้อย่างใจส่วนอีกคนหนึ่งทาอะไรตามอารมณ์ได้ก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจ และบางทีก็โกรธแทนในเมื่อไม่ได้อย่างใจการมีชีวิตแบบไหนจึงจะมีความสุขและความเจริญท่านเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าการละตันหาตามวิธีของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติหรือเป็นเรื่องที่คนเราทำตามไม่ได้แท้ที่จริงคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจริญนั้นไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไรเขาจะได้เคยรู้จักพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามแต่คนเหล่านี้ก็ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอยู่แล้วตันหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตันหาใช่ได้คือความพ้นทุกข์ถ้าหาเข้าใจความหมายของตันหาถูกต้องจริงๆก็จะเห็นว่าไม่มีใครกล้าคัดค้านหลักพุทธศาสนาในเรื่องนี้ เพราะการที่จะทําใจให้สบายอยู่ได้เสมอนานมีอยู่วิธีเดียวซึ่งได้ผลแน่นอนและเป็นหลักสากลคือการพยายามเอาชนะตันหาให้ได้นั่นเองอย่าลืมว่าผู้ที่จะละตันหาได้จะต้องมีความรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงและจะต้องไม่ยึดถืออะไรอย่างงมงายหรือถืออะไรโดยไม่มีเหตุผล เพราะอาวิชชาและอุปาทานเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดตัณหาถ้าอาวิชชาไม่มีอุปาทานไม่มีตัณหาก็มีไม่ได้แต่ก็อย่าลืมอีกว่าอาวิชชาและอุปาทานเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจะจะละตัณหาจะต้องพยายามละอวิชชากับอุปาทานไปพร้อมๆกันด้วย บทที่23บทสรุปความมุ่งหมายสาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ต้องการจะให้ผู้อ่านเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของเราเองและตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในสันดานคนเราตายแล้วจะต้องเกิดอีกจะหนีตัวเองไม่พน้นและทุกครั้งที่ได้ทากรรมซึ่งจะเป็นกรรมดีหรือชั่วก็ตาม จะต้องมีวิบากขรรมันเกิดขึ้นในสันดาณเสมอและในเมื่อวิบากยังมีอยู่สักวันหนึ่งมันก็จะต้องให้ผลซึ่งถ้าเป็นวิบากของกุศลก็ให้ผลในทางดีถ้าเป็นวิบากของอกุศลก็ให้ผลในทางไม่ดีอันหนึง่งเรื่องของชีวิตในเมื่อพิจารณาการให้ลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วก็จะพบว่าทุกอย่างเกิดมาจากใจ ซึ่งคําว่าใจในที่นี้หมายถึงจิตไร้สํานึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าผวังขจิตผวังขจิตก็คือจิตที่เป็นวิบากล้วนๆผวาวงขจิตเป็นผลที่เกิดจากการกระทําต่างๆผวางขจิตเปรียบเหมือนมเมล็ดผลไม้ถ้ามเมล็ดยังอยู่ก็หมายถึงต้นยังอยู่หรือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้ว จะต้องมีอีกเป็นอีกคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณยังอยู่และวิญญาณที่ว่านี้ก็คือตัวพวังขจิตหรือเรียกว่าพวังขวิญญาณก็ได้ร่างกายสลายตัวได้ง่ายแตกดับได้ง่ายแต่พวังขวิญญาณหรือจิตไร้สำนึกนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายมันได้เลย มันสามารถที่จะทรงตัวและสืบต่อได้ด้วยกําลังภายในตัวของมันเองภาวะขวัวิญญาณมันสามารถสืบต่อด้วยตัวของมันเองได้ก็เพราะมันเป็นตัวธรรมชาติที่สร้างชีวิตและเมื่อมีชีวิตคือมีร่างกายเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทําเกิดขึ้นมาอีกเมื่อมีการกระทําเกิดขึ้นอีกก็ต้องมีวิบากเกิดขึ้นอีกเมื่อมีวิบาก ก็จะต้องมีชีวิตเกิดขึ้นอีกหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดเปรียบเหมือนเมล็ดผลไม้เมื่อยังมีอยู่และไม่เน่าไม่เสียเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อใดมันก็งอกขึ้นมาอีกเมื่อนั้นเมื่อมีต้นไม้เกิดขึ้นมาอีกมันก็มีเมล็ดเกิดขึ้นมาอีกและแล้วก็มีต้นเกิดขึ้นอีกเมล็ดเป็นเหตุให้เกิดต้นต้นเป็นเหตุให้เกิดเมล็ด หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตราบใดที่มเมล็ดยังมีอยู่และสิ่งแวดล้อมที่จะให้มเมล็ดงอกขึ้นมาก็ยังมีอยู่เราก็จะพบว่าต้นไม้ชนิดนั้นไม่สูญไปจากโลกแต่อย่างไรก็ดีเรื่องต้นไม้เป็นเรื่องวัตถุต้นไม้อาจจะสูญพันธ์ได้ด้วยการถูกทาลายหรือด้วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศส่วนวิญญาณตรงกันข้าม ไม่มีอำนาจใดๆทำลายมันได้เลยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศก็ทำให้มันสูญสิ้นไปไม่ได้และยิ่งกว่านั้นถ้าหากวิญญาณจะสร้างร่างกายแบบคนขึ้นมาไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมไม่อำหนวยให้เป็นต้นว่าพ่อแม่ที่จะให้กำเนิดไม่มีอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณก็สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ และไม่ต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมชีวิตที่ว่านี้ก็คือกายทิพย์กายทิพย์เป็นร่างกายที่เกิดง่ายที่สุดและพร้อมอยู่เสมอที่จะเกิดเป็นร่างกายที่มีชีวิตมีตัวตนมีอวัยวะครบทุกอย่างมีประสาทมีสมองมีตาหูจมูกลิ้นและกายใช้ได้เหมือนกับกายเนื้อทุกประการ กายที่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะพบได้เสมอในเวลาฝันที่เป็นจริงหรือในเวลาที่สามารถเข้าสมาธิได้สูงแต่เวลาที่ทุกคนจะได้พบเสมอโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นคนประเภทไหนจะเป็นคนดีหรือคนชั่วต้องได้พบแน่ก็คือในเวลาจะตายเพราะทุกคนก่อนที่จะตาย ในขณะที่กำลังจะจุติจากกายเนื้อนั้นจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นเรื่องกายทิพย์เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยากคนทั่วไปไม่ยอมเชื่อว่าตัวเรามีกายทิพย์ซึ่งพร้อมที่จะเกิดเสมอในเวลาดังที่กล่าวมาและโดยธรรมดาคนที่จะเชื่อเรื่องนี้จริงๆนั้นต้องเป็นคนที่ได้สมาธิขั้นสูงแต่อย่างไรก็ดี ถ้าหากเราศึกษาเรื่องความฝันให้เข้าใจโดยตลอดแล้วอันนี้จะสามารถช่วยเราเข้าใจถึงเรื่องกายทิพย์ง่ายมากและในเมื่อเข้าใจเรื่องกายทิพย์แล้วเราก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งถึงเรื่องวิญญาณสร้างชีวิตเรื่องวิบากเรื่องความไม่ดับสูญของวิญญาณและโดยเฉพาะก็คือเหตุการณ์ในความฝันต่างๆ จะบอกให้เรารู้ถึงวิบากต่างๆที่เราสะสมเอาไว้และจะบอกให้เรารู้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะได้ไปนรกหรือไปสวรรค์และยังสามารถบอกได้ถึงวิธีแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยถ้าหาเข้าใจเรื่องความฝันโดยตลอด เพราะเหตุการณ์ความฝันทุกอย่างเป็นภาพสะท้อนให้ลายเห็นถึงตัวเองและสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมจะดีหรือเลวก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามแก้ไขที่จิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลอย่างแน่นอนก็คือ พยายามทำใจของตัวเองให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและครั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่จะทำได้จริงๆนั้นก็คือคนที่พยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอเพื่อสร้างจิตใจให้สูงด้วยคุณธรรมต่างๆและการสร้างความดีเพื่อให้จิตใจสบายอยู่เสมอนั้นจะต้องทำโดยมุ่งหวังความดีเป็นใหญ่ ไม่หวังผลในทางวัตถุเป็นเรื่องสำคัญวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างรายการเสียงธรรมที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นคือเรื่องสู่แสงสว่างจากการเรียบเรียงโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสำนักค้นคว้าทางวิญญาณ